มงคลชีวิตมงคลที่สี่การอยู่ในประเทศที่สมควรปฏิรูประเทสวาโสจจเอตัมมังคลมุตตมังคำว่าปฏิรูปโป แปลว่าสมควรสถานที่หรือทิ่ินที่อยู่อาศัยของสัตว์ทั้งหลายทุกแห่งชื่อว่าเทสะการอยู่อาศัยในเทสะนั้นชื่อว่าวาสะรวมความว่าการอยู่ในสถานที่ที่สมควรชื่อว่าปฏิรูปรเทสวาสะ ลักษณะประเทศที่สมควรอยู่ที่ใดยังปรากฏพุทธบริษัทสคือภิกษุภิกษุณีอุบาสกและอุบาสิกาจาริกไปมาอยู่ที่ใดยังมีการเรียนการสอนการปฏิบัติตามพระไตรปิฎกอยู่หรือสถานที่ที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้ประกาศพระธรรมจัก จนถึงปริมิพานสถานที่เหล่านี้ชื่อว่าประเทศที่สมควรทั้งสิน้นเพราะผู้อยู่จักเจริญด้วยทานศีล ส, สมาธิและปัญญาสำหรับประเทศที่สมควรของผู้ปฏิบัติกรรมฐานอาจต้องมีลักษณะพิเศษว่าไม่ใกล้หรือไกลเกินไปจากเส้นทางคมนาคมกลางวันและกลางคืน ต้องไม่พลุกพล่านไม่อึกกระทึกปราศจากการรบกวนจากาสตว์ต่างๆไม่ลำบากด้วยปัจใจเสีและมีผู้รู้อัดรู้ธทรรมรู้กรรมาฐานคอยช่วยเหลือยามขัดข้องได้ลักษณะประเทศที่ไม่สมควรอยู่สถานที่ใดคนดีไม่ได้รับการยกย่อง ซ้ำถูกดูหมินแต่กลับยกย่องคนเลวสถานที่นั้นไม่ควรอยู่อาศัยเลยสถานที่ใดคนเกียดติคร้านและคนขาดได้รับการบูชาสถานที่นั้นคนดีไม่ควรอยู่ข้อโคหนึ่งโรงสุราหนึ่งนักเลงหนึ่งที่ประชุมของคนผ่านหนึ่งสถานที่เก็บเงินทองหนึ่ง เจ้าจงเว้นห่างให้ไกลเหมือนคนขับยานพาหนะเว้นทางที่โขุกกะการอยู่ในประเทศที่สมควรจัดเป็นมงคลเพราะ 1. ประสบความสงบกายวาจาใจ 2. ได้พบเห็นคนดีคุณธรรมดี สอนดี 3. เป็นเหตุให้ชีวิตและกุศลธรรมเจริญ 4. มีโอกาสทำที่สุดทุกได้ด้วยคำของคนดี